สรรพสัตว์ทั้งหลายเขาเป็นบ่อกเกิดของกุศลอย่างโทษยเยี่ยมเนี่ยนะถ้าเราจะหาบุญเนี่ยไปหาจากที่ไหนก็หาจากคนทั้งหลายเหล่านี้แหละหาจากสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แหละที่จะสร้างบุญสร้างกุศลเพราะว่าบุญบุญญากริยาวัตถุ10มันเกิดเกิดจากอะไรก็เกิดจากสัตว์บุคคลทั้งหลายนี่แหละเกิดจากคนคนทั้งหลายเกิดจากสัตว์สัตว์ทั้งหลายเหล่านี้แหละมันจะต้องหาบุญกิริยาวัตถุสิบจากสัตว์ทั้งหลายได้เกี่ยวข้องกับคนเนี่ยนะหนึ่งคนเนี่ยต้อง ต้องหาให้ได้บุญกิจอาวัตถุกแม้แต่ข้อหนึ่งจะต้องได้ประโยชน์ประโยชน์แก่ตัวเองก่อนอันดับแรกคือการเจริญกุศลการเจริญกุศลเนี่ยสัตว์อื่นได้ประโยชน์ไหมผู้ใดดํารงอยู่ด้วยกุศลแลจิตแล้วสัตว์อื่นสำเร็จประโยชน์ไหมสามํมสาเร็จประโยชน์อยู่แล้วเนี่ยนะก็มองอีกอันหนึ่งก็บอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพอย่างสูงสําหรับเราเราต้องเคารพเขานะเพราะอะไรเพราะเขาเป็นนาบุญของเรา เขาเป็นที่เจริญบุญเจริญกุศลของเราเราต้องตั้งอยู่ในความเคารพยำเกรงในสัตว์ทั้งหลายต่อไปบอกว่าสัตว์เหล่านี้เป็นเหตุให้สำเร็จคือให้เราได้เจริญพุทธคุณทั้งปวงเราลองเรียกว่าสแสวงหาพุทธคุณจากสัตว์ทั้งหลายหมายก็ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญพุทธคุณเนี่ยนะ ทีนี้ในตอนต้นเนี่ยนะน้อมนําว่าแสวงหาบุญกุศลคุณงามความดีที่จะทําให้ตัวเองบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ได้ก็เรลมเพิ่มพูนเมตตาในสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยอธิษฐานการุณาอย่างแท้จริงว่าถ้าเราสําเร็จประโยชน์บนรรลุความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเราจะช่วยปลดเปลื้องสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์นั่นคือกรุณาใช่ไหมกรุณาก็บอกว่ามุ่งไปที่จะปลดเปลื้องสรรพสัตว์ให้พ้นจากความทุกข์ ความเป็นผู้ใคร่เพื่อจะกำจัดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต้องการที่จะปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากสัรพสัตว์เหล่านั้นกรุณาอันนี้มีกำลังกรุณานี้เป็นรากที่มั่นคงย่อมเกิดแก่ผู้ที่นำประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัรพสัตวทั้งหลายด้วยใจที่ไม่มีขอบเขตคือเบื้องต้นเนี่ยนะใครที่มีความคิดว่าสัตว์ทั้งหลายควรได้ประโยชน์เขาควรได้รับประโยชน์อะไรบ้าง พอเห็นประโยชน์ของเขาแล้วเห็นเลยว่เขากําลังเสื่อมประโยชน์อยู่พอเห็นว่าเขาเสื่มประโยชน์นั่นแหละจึงเป็นกรุณาเมตานี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นของกรุณาอย่างพรห ม, มิหารสี่ทำไมแสดงเมตตาขึ้นก่อนเพราะว่าน้อมนําประโยชน์เข้าไปให้แก่สัตว์ทั้งหลายเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากประโยชน์ก็เลยมีความการุณาต่อสัตว์ทั้งหลายก็เลยมีกรุณาตามมาตามมาจาก เมตตาเนี่ยนะเพราะเมตตาน้อมนำประโยชน์เช่นว่าตัวเองเสื่อมประโยชน์นี้สงสารตัวเองเลยใช่สงสารตัวเองเลยฉันใดเมื่อเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเสื่อมจากประโยชน์คือประโยชน์ใดๆที่เขาควรจะได้รับเมื่อเขาไม่ได้รับประโยชน์เหล่านั้นเขาคือคนที่ควรแก่การสงสารท่านบอกว่าการุณานี้เป็นเบื้องต้นแห่งจรณะคือความประพฤติที่ดีงาม กรุณานี้เป็นหลักเป็นมูลเป็นหัวหน้าเป็นประมุขแห่งพุทธการะธรรมตอนแรกบอกว่าเมตาน้อมนำประโยชน์เข้าไปให้เขาแต่เขากำลังเสื่อมจากประโยชน์เพราะเขากำลังเดินไปเพื่อรับแต่ทุกข์รับแต่โทษทีนี้จะช่วยเขาให้พ้นจากทุกข์ได้อย่างไรนั่นแหละเป็นที่มาของพุทธการะธรรมธรรมที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้าธรรมที่สร้างความเป็นพระพุทธเจ้าเกิดจากกรุณา เมตตากรุณาและก็คือพุทธกัลกะธรรมทั้งหลายท่านถือว่าพุทธกัลกะธรรมทั้งหลายการุณาที่มุ่งมุ่งปลดเปลื้องความทุกข์แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นเบื้องต้นแต่จริงต้นของกรุณาก็คือเมตตาอีกครั้งหนึ่งบางแห่งท่านบอกว่าเมตตาเป็นฐานแห่งการสร้างบารมีทั้งปวงของพระพุทธเจ้าเพราะว่ามีเมตตานั่นแหละก็เลยสร้างบารมีจนสําเร็จ จนน้อมนําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัพพะสัตทั้งหลายด้วยใจกรุณาก็เปลื้องความทุกขแห่งสัพพะสัตทั้งหลายได้สําเร็จนี่มาดูวิธีพิจารณาอุเบกขาเป็นข้อสุดท้ายเนะนะี่ยนะวิธีพิจารณาอุเบกขาพิจารณาอย่างนี้ว่าความเสียหายที่สัตว์ทั้งหลายทำเนี่ยนะนะคือคืออย่างว่านะ ที่เราทำสงเคราะห์อนุเคราะห์ต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยากคิดนะว่าคนจานุโมทนาแล้วก็มุทิตาตลอดใช่ไหมคืออย่างอย่างว่านะพ่อแม่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ลูกแล้วถามว่าลูกนี่ไม่ทำลายประโยชน์พ่อแม่เลยใช่ไหมด้วยความรู้ตัวก็ตามด้วยความไม่รู้ตัวก็ตามความโง่ความเขาความฉลาดก็ตามของลูกเนี่ยนะบางทีก็สร้างความหนักใจให้ผู้มีพระคุณอย่างไม่รู้ตัว ฉันใดพระพุทธเจ้าเป็นผู้นําประโยชน์สุขเข้าไปให้แก่สัตว์ประสาททั้งหลายยาคิดหน้าว่าเขามีเมตตามีคนที่คอยขวางอยู่ตลอดเวลาเช่นพระเทวทัตใช่ไหมขวางอยู่นั่นแหละพญามารก็ตามขวางอยู่นั่นแหละและก็เดีรัตีทั้งหลายก็ตามขวางการนําประโยชน์ให้แก่สัตว์ทั้งหลายฉันใดแม้แต่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเป็นอย่างนั้นแล้วตอนเป็นพระโพธิสัตว์จะขนาดไหนพระองค์ทรงไว้ซึ่งมหาบริศลักษณะ32อนุพยัญชนะ80สิ มีรัศมีออกมาวาหนึ่งเต็มด้วยพุทธคุณเต็มเตี่ยมยังมีคนที่คอยทาลายคอยขัดขวางจะกล่าวไปใหญยถึงเป็นพระโพธิสัตว์ที่กำลังสร้างบารมีอยู่แล้วจะไม่มีคนคอยขัดคอยขวางสัตว์ทั้งหลายนี่คอยขัดคอยขวางคอยห้ามในการสร้างคุณงามความดีถ้าเรียกว่ามารหรือผู้ฆ่าประโยชน์เนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขา ไม่มีการรู้จักวางใจเก็บเอามาคิดเนี่ยนะเขาว่าเราคําหนึ่งเราก็เก็บมาคิดเขามาทําลายเราหน่อยหนึ่งเราก็เก็บมาคิดไม่มีการรู้จักวางเอาไว้บ้างเลยจะเป็นยังไงไม่มีรู้จักเอาวางเอามาเฉยบ้างเลยนะเก็บคิดทุกคําที่โดยเฉพาะคําของผู้ทําลายประโยชน์เนี่ยนะผู้ทําลายบุญกุศลเราเก็บเอามาคิดหมดเลยเนี่ยนะถามว่าจะเป็นยังไงยากว่างั้นเพราะฉะนั้น ถ้าไม่มีอุเบกขามันจะทําให้ใจพิการเขารียวพิการทางความคิดาำนั้นนะคนที่ไม่รู้จักอุเบกขาบ้างเลยเนี่ยนะเก็บเอามาคิดหมดเดี๋ยวใจก็ป่วยเขาเรียกว่าพิการทางความคิดเมื่อความคิดป่วยก็ไม่มีการสะสมบารมีเขาเรียกพูดแบบรถก็คือถูกเจาะยางไม่เรียบร้อยแลว้วก็จอดเสียอยู่ข้างทางนั่นแหละ เ, เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะไม่มียางอะไรมาเปลี่ยนนะนะฉันใดก็ดีคนที่คําพูดของคนในโลกนี้บางทีเนี่ยนะไม่ได้เพิ่มพูนในการ เออดีแล้วนะใ น, นอย่างที่เราทั้งหลายมาศึกษาธรรมะศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าคนที่มุทิตาไม่กี่คนหรอกจะพูดยังไงให้มันเลิกเรียนสักทีหนึ่งนะไม่เรียนไม่มีจบมีสิ้นเรียนอะไรคณนักกนหาเขาบอกงั้นมีสามีบางคนว่าโอ้ยไปเรียนอะไรคณนักนาเรียนไม่มีจบมีเลิกมีราสักทีเขาว่างั้นเมื่อไหรเธอจะจบสักทีเขาบอกงั้นนะบางทีก็เป็นอย่างงั้นนะแม้กระทั่งว่าสามีบางคนที่เรียนธรรมะก็ไม่ใช่ว่าจะถูกได้รับการอนุโมทนาจากภรรยาศักดิ์เท่าไหร่เพราะ นี่นี่ขนาดคนใกล้ชิดแท้ๆเลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นๆแล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีเนี่ยนะก็อย่างว่าแบบโบราณก็ใช้คำ ว, ว่าปากอะไรปากปูเนี่ยนะที่มันคอยเน็บเหมือนกับตะไครคอยหนีบคอยคอ ย, คอยเรียกว่าคอยบันทอนในการสร้างกุศลบารมีสิบทุกคำเนี่ยนะการให้ทานเนี่ยนะเชื่อเถอะมีคนมาคอยขวาง อ, อย่าทำเลยเนี่ยนะ ยาเนี่ยเช่นยาให้กับคนนี้เลยหนึ่งยาทำมากขนาดนี้เลยเนี่ยหนึ่งยาทำในช่วงนี้เลยนี่อีกอย่างหนึ่งสรุปว่าพูดจนไม่ต้องทำกันละว่าง น, นะนะศีลก็เหมือนกันพูดจนไม่ได้รักษาเนี่ยธมะ ก, ก็พูดจนไม่ต้องเจริญปัญญาก็พูดจนไม่ต้องอบรมเนี่ยนะพูดสะให้ท้อมหมดเลยเนี่ยนะนะพูดสะขาดกำลังใจหมดพันสรุปว่าบารมีเนะี่ยเวลาสร้างบุญบารมีทั้งหลาย มีคนที่เาขาคอยเจาะยางอะไรแนั้นคอยที่คอยให้ทอแท้ทอถอยนั่นแหละก็ไม่เก็บเอามาคิดให้ป่วยทางใจบางเรื่องเน่ยไม่ต้องไปสนใจวันอุเบกขาบางทีนัยยะนี้แปลว่าไม่ต้องเก็บเอามาคิดไม่ต้องไปสนใจแต่ไม่ใช่โง่นะเพราะอะไรอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยนะถ้าหากว่าการเจริญบารมีน้อมนําประโยชน์สุขไปให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตาเนี่ยถ้ามีใจผูกพันอยู่นั่นแหละ ไม่มีอุเบกขาและจะสร้างบารมีต่อตอไปได้อย่างไรเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่าน้อมนําประโยชน์ไปให้แก่สัตว์ใดก็เลยผูกพันอยู่กับสัตว์นั่นแหละจนไม่ได้ไปสร้างบารมีอย่างอื่นต่อไปเลยจะเป็นอย่างไรมันก็ถือว่าถึงเขาจะอะไรนะถึงเขาจะเสียหายก็ไม่เก็บเอามาคิดถึงเขาจะดีขนาดไหนก็ไม่อาไลอาวรนเนี่ยนะไม่อาไลอาวรนพร้อมที่จะสร้างคุณงามความดีคุณธรรมต่อๆไปโดยที่เรียกว่าไม่มีอะไรที่จะมา ขวางในการเจริญบุญกุศลไอตัวที่ทําให้มันไม่ติดไม่คล้องตัวนี้แหละเรียกว่าอุเบกขาแปลว่าเป็นความหล่อลื่นไม่มีติดมีพันุ์ไม่มีอะไรมาเป็นอุปสรรคในการเจริญบุญกุศลเนี่ยนะเพราะผู้ไม่มีอุเบกขาไม่สามารถจะน้อมไปในบุญยสมภารไม่สามารถจะน้อมไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลอันเป็นผลแห่งบุญยสมภาร ในการสะสมคุณงามความดีต่อไปได้เพราะฉนั้นอุเบกขาเนี่ยนะการไม่ติดไม่ข้องไม่อาไล่เนี่ยจะช่วยให้เจริญบุญได้ต่อไปอย่างสมมุติถ้าอย่างอาไล่อาวอนในตําแหน่งล่างๆเนี่ยถามว่าตําแหน่งสูงๆเป็นไปได้ไหมที่จะได้รับถ้าอาไล่อาวรนในคุณชั้นล่างๆเป็นไปได้ไหมที่จะเจริญคุณชั้นสูงๆบอกว่ายากเนี่ยนะเพราะฉะนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่ติดไม่อาไล่ในคุณหรือแปลว่าไม่สันโดษในคุณชั้นล่างๆพร้อมที่จะ จเจริญคุณชั้นสูงยิ่งๆิ่งขึ้นไปแต่ว่าภาษาไทยเนี่ยนะพูดให้คนเสียกําลังใจใช้คําว่าทะเยอทะยานเนี่ยนะที่จริงความหมายนี้โดยรวมแล้วดีจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่ดีว่าไอ้คาว่าทะเยอทะยานก็คือมุ่งที่จะให้คุณชั้นสูงเกิดขึ้นเอาไห้ถูกตอนถูกบอลใส่อะถูกบอลใส่ทางความคิดน่ยดีไหมก็ต้องให้มันโตขึ้นโตขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นสิแต่ว่าพูดจะบอกว่าเอมทะเยอทะยานสูงมากอะนะไปพูดกระแทกแดกดานระจน ถูกก็เลยคำพูดที่บอลใส่หมืนกัน น, นะนะทำให้มันตัวเลขถ้าเป็นนี้ก็เป็นถ้าเป็นคนก็บอกว่าเป็นถ้อยคำที่ทำให้คนนั้นนะแครกลายเป็นคนแคลเนี่ยนะสร้างแต่ความแคลให้แก่ฉนันคำพูดบางทีเนี่ยนะคำพูดที่ไม่ฉลาดพูดเนี่ย ทำให้คนเนี่ยหมดเรี่ยวหมดแรงในการเจริญกุศลเลยนะเป็นคําพูดที่ไปบอนไซทําลายความเจริญเติบโตทางสติปัญญาพูดซะเขาเฉาตายเลียวก็มีเะนั้นคําพูดเนี่ยน้ำลายเนี่ยทําให้คนใจเฉาตายมาไม่ใช่น้อยเลยนะเั้นระวังให้ดีๆมัมิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจานี้สําคัญเนี่ยนะคำพูดเนี่ยนะนสำคัญมากต่อแม้กระทั่งเราเราพูดเองเนี่ยนะคำพูดที่เราพูดเนี่ยเราจะเจริญหรือไม่เจริญก็อยู่ที่คํำของเราเหมือนกันเพราะนั้น ถ้อยคําเหล่านั้นเนี่ยจะต้องเอามามาพิจารณาให้ดีแต่อย่าไปสนใจมากเกินไปจนไม่ได้เจริญกุศลคือในยะตรงของอุเบกขาบารมีก็คือว่าไม่ต้องเอามาหนักใจจนไม่ได้ทําบุญหรอกว่ากันนะไม่ต้องไปสนใจจนไม่มีโอกาสได้ทําบุญว่ากันเพราะนั้นจะอะไรก็ช่างจะเป็นคําพูดดีหรือคําพูดเลวร้ายก็ช่างต้องไม่ใช่เป็นตัวบันทอนในการสร้างบารมีทั้งหลาย คืออุเบกขาเนี่ยจะเป็นตัวเป็นฐานให้หมุนไปหาการสร้างฐานสร้างฐานบารมีคือบารมีเนี่ยมันจะเป็นสร้างแบบวงกลมแล้วก็สร้างเหมือนกับก่ออิฐแล้วก่อสูงขึ้นไปเนี่ยนะก่อวงกลมเนี่ยนะก่อสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปทุกอย่างมันจะเป็นตัวหนุนกันเองเนี่ยนะหนุนคุณธรรมจนสูงเขาบอกว่าถ้าเจดีเล็กๆอันนี้เป็นสร้างเจดีแบบจรดพรมมาโลกเนี่ยนะแปลว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณธรรมของพระองค์เนี่ยสูงยิ่งกว่าภวกระพรมิมอีกเขาบอก สูงกว่าเนวสัญญาณนาะสัญญาญตนะพระวักกพรมหมายถึงเนวสัญญาณนาะสัญญายาตนะโสดาบันนี้ก็ยิ่งกว่าภวักกพรมแล้วโสดาบันก็ยิ่งกว่าพระวักกพรมแล้วแล้วนี่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระโซดาบันขนาดไหนเพราะพระโซดาบันร้อยท่านก็สู้พระสกะทาคามีท่านเดียวไม่ได้โดยคุณธรรมนะ คุณธรรมของพระสกทาคามีร้อยท่านก็สู้พระนาคามีท่านเดียวไม่ได้คุณธรรมของพระนาคามีร้อยท่านก็สู้คุณธรรมของพระอรหันต์ไม่ได้พระอรหันต์ทั่วไปเป็นร้อยท่านภาษาริบุตรท่านเดียวก็ประเสริฐกว่าพภาษาริบุตรเป็นร้อยก็สู้พระปเจกพระพุทธเจ้าไม่ได้พระปเจกเนี่ยเป็นเครึ่งจักรวาลเนี่ยพระพุทธเจ้าองค์เดียวประเสริฐกว่าถามว่ามันยิ่งกว่ากันขนาดไหนถ้ามัวแต่สันโดษในบุญกุศลคุณงามความดีเป็นไปได้ไหมที่จะสำเร็จเป็น พระพุทธเจ้าเนี่ยนะบอกยากจะต้องมีเรียกว่าไม่อาไลยไม่อาวอนในคุณที่สร้างไปแล้วคือบางคนเนี่ยนะเวลาทำบุญเนะี่ยทำไปนิดเดียวก็อาวณนอยู่นั่นแหละก็คือมาเก็บชื่นชมในบุญเล็กน้อยอยู่นั่นแหละจนไม่ไม่ไ ม, ไม่หาโอกาสหาช่องทางที่จะเจริญกุศล ต, ต, ต่อไปการพูดถึงบุญที่ตัวเองสร้างไว้เป็นความดีแต่การอาไัยอาวณ์ติดข้องจนไม่สามารถทาบุญใหม่ ได้อันนี้ไม่ดีเพราะก็เรียกว่าขาดอุเบกขาเนี่ยนะก็เลยกลายเป็นว่ายึดติดอบุญอ น, นั้นมันดีที่สุดแล้วพอแล้วเป็นต้นท่างคนที่สร้างบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าจึงไม่ติดข้องในกุศลจะกล่าวไปยายถึงอกุศลพันกุศลในการสร้างของท่านนี่ยจึงเป็นประเภทวิเศษภักยะเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้ น, นต่อไปบอกว่าผู้ที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะแม้แต่การให้ทานเป็นไง ผู้ที่ไม่มีอุเบกขาเนี่ยมัวแต่ยุ่งในเรื่องของอุ้ยทยรยมมันมีเท่านี้คือมัวแต่เกี่ยงเรื่องของที่จะทำแล้วก็เกี่ยงผู้ที่จะรับแต่ผู้ที่มีอุเบกขาไม่เกี่ยงไม่เกี่ยงของที่ทำแล้วก็ผู้รับไม่เกี่ยงขอให้มีโอกาสได้ทาให้ทานไม่เกี่ยงเวลาการสถานที่ในการรักษาศีลเนี่ยนะไม่เกี่ยงในการเจริญคุณงามความดี พันผู้ปราศจากอุเบกขาไม่มนาสิการถึงอันตรายแห่งปัจจัยเครื่องนํามาซึ่งชีวิตและชีวิตแล้วก็หาไม่เนี่ยนะก็เลยไม่สามารถที่จะทําศีลให้บริสุทธิ์ได้คือเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยนะเป็นคนที่ยึดติดยึดข้องโดยไม่พิจารณาถึงว่าปัจจัยแห่งชีวิตเนี่ยนะเราจะมีชีวิตอยู่นานแค่ไหนทําไมเราไม่เรียบรักษาศีลเพราะเรามาติดข้องในชีวิตไม่ใช่ชีวิตจะติดเราด้วยใช่ไหมเราติดในชีวิตและชีวิตมันติดเราไหม ไม่ติดเพราะชีวิตมันก็เป็นไปตามปัจจัยของมันจะหวงชีวิตรักษาชีวิตถนอมชีวิตขนาดไหนชีวิตก็มีความตายเป็นที่สุดรอบคนที่ไม่เจริญอุเบกขาบอกว่าชีวิตมันเป็นของไม่เที่ยงจะมาอะไรอาวรนเยื่อใยอะไรกับชีวิตควรแล้วที่จะต้องรีบเร่งในการสร้างคุณงามความดีพรานผู้ที่มีอุเบกขาเนี่ยนะไม่อาลัยไม่อาวรนไม่ติดข้องไม่ให้ค่าในชีวิตเกินไปจึงสามารถ รักษาศีลได้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยนะเพราะไม่ใช่ว่ารักษาชีวิตมากแล้วชีวิตจะยาวเท่าไหร่ใช่ไหมแปลกนะยิ่งรักษามากยิ่งแก่มากชีวิตเนี่ยรักษาดูแลอย่างดีแล้วยแ ก, ทก่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเ <c oughs> ชื่อวันนี้แก่กว่าเมื่อวานเดี๋ยวพรุ่งนี้นะแก่กว่าวันนี้อีกยิ่งดูแลยิ่งแก่เพราะนี่อย่ไปสนใจไปให้ค่าอะไรมันมากมา ย, น, ยนะนะ อะไรที่จะพร้อมที่จะรักษาศีลสั่งบุญงามความดีอะไรก็รีบทําไปเถอะยิ่งดูแลยิ่งรักษายิ่งแก่ไปเรื่อยฟันธาไม่รีบทําบุญวันนี้นะพรุ่งนี้แกกวันนี้อีกวันหนึง่งปา ร, รืนนี้แกกว่าปีหน้าแกกว่าปีนี้อีกสามปีข้างหน้าแกกว่าปีนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะถ้าไม่รีบทำไม่ตั้งกันหนุ่มสาวบัดนี้นะวันนี้ถือว่านหนุ่มสาวที่สุดของวันต่อๆไปถ้าไม่รีบเจริญไว้ให้ดีเนี่ยนะคิดหรือว่าตาของเราจะใสขึ้นกว่าวันนี้ มีแต่คุณกว่าวันนี้หูของเราเนี่ยจะหย่อนกว่าวันนี้ไม่มีอีกแล้วมันจะมาตึงขึ้นตึงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะผิวผ่านนี่ก็หย่อนลงหย่อนลงหย่อนลงสุขภาพหลายๆตัวไม่ได้ทําให้ดีขึ้นอะไรเลยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้หนุ่มสาวที่สุดแล้วควรแล้วได้สมัยถ้าไม่รีบทําตอนนี้นะแกกว่านี้แล้วจะลำบากเนี่ยนะท่า น, นบุญกุศลถ้ามัวแต่อะไรอาวรณ์ติดข้องเนี่ยนะไม่เจริญอุเบกขาบ้างยากที่จะ สำนวนภาษาไทยเขบอกถ้าไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางซะบ้างเนี่ยนะไม่ต้องใดทาแล้วบุญว่างั้นทานก็ไม่ต้องให้แล้วศีลก็ไม่ต้องรักษาแล้วถ้ามัวแต่ติดมัวแต่ข้องมัวแต่อะไรอาวอรู้จักปล่อยซะบ้างรู้จักสละของเล็กน้อยอเขาบอกว่าผู้ฉลาดทั้งหลายก็รู้จักลงทุนสละของเล็กน้อยเพราะเพื่อผลอัน ภับูรณ์มันสิ่งที่เป็นอยู่บางทีมันก็ต้องสละเพื่อการสร้างคุณชั้นสูงต่อต่อไปเนี่ยนะกระว่าถ้าไม่สละเรือลำน้อยแล้วจะขึ้นเรือลำใหญ่ได้ไหมบอกไม่ได้หรอกต่อไปบอกว่าอันหนึ่งความสําเร็จแห่งการตั้งใจสมาทานโทที่สมผ่านทั้งปวงให้บริบูรณ์เนี่ยนะจะสําเร็จได้ก็ด้วยอนุภาพของอุเบกขาอุเบกขาบางทีแปลว่าทําใจได้เนี่ยนะ ไม่ยินดีหรือยินร้ายเนี่ยนะทำใจได้เสมอในสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเาเรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีพานไอความที่เรียกว่ารับได้ทั้งสิ่งที่น่ายินดีและไม่ยินดีเนี่ยจึงสามารถเจริเนฆคัมมะได้อันนะสิ่งที่ไม่น่ายินดีหมายความว่าการพลาดพลาดจากวัตถุอันเป็นที่รักเนี่น่ายินดีไหมไม่น่ายินดีท่านก็ทนได้ ถามว่าไปอยู่ในป่านี่มันน่ายินดีไหมไม่น่ายินดีท่านก็ทนได้เป็นต้นอุเบคาเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้พอกพูนนี่ข่ำมะอุเบคาเนี่ยแหละเป็นตัวที่ทําให้พอกพูนปัญญาอุเบคาเนี่ยเป็นตัวทําให้พอกพูนวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบคานี่แหละจะเป็นตัวทําให้เพิ่มพูนอะไรเนี่ยตรงเนี้ยในหน้าเนี่ยอธิบายว่าอุเบขาไปช่วยเหลือ ทานได้อย่างไรอุเบกขาไปช่วยเหลือศีลได้อย่างไรอุเบกขาเป็นตัวช่วยเนคขมมะอย่างคนให้ทานเนี่ยถ้าไม่มีอุเบกขาจะให้ทานสําเร็จไหมไม่สําเร็จถ้าไม่มีอุเบกขารักษาศีลสําเร็จไหมไม่สําเร็จถ้าไม่มีอุเบกขาเนคขมมะก็ไม่สําเร็จเจริญปัญญาก็ไม่สําเร็จเจริญวิริยะขันติสัจจะที่ฐานเมตตาก็ไม่ประสบความสําเร็จหรอกถ้าไม่มีอุเบกขาเนี่ยนะอุเบกขานี่แหละที่ทําให้ไม่สันโดษในการ เจริญกุศลมีแต่การเพิ่มกุศลไปยิ่งขึ้นไปอุเบกขานี่แหละทาให้อดทนมีขันติต่อถ้อยคำที่ผู้ใดพูดเนี่ยนะถ้าไม่มีอุเบกขาแล้วก็ยากที่จะทนได้ถ้าไม่มีอุเบกขาสัจจะอธิษฐานก็ไม่สําเร็จถ้าไม่มีอุเบกขาเมตตาจะเพิ่มพูนต่อไปได้ไหมเพราะอะไรเพราะผู้ที่ไม่มีอุเบกขาก็จะกผูกใจเจ็บสรุปทบทวนว่า การพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมีการพิจารณาอนิสงของการสร้างบารมีนี่คือปัจจัยของบารมีแปลภาษาไทยไๆง่ายๆว่ามหาพิจารณานั่นแหละพิจารณาเท่าไรก็นั่นแหละปัจจัยของบารมีเท่านั้นก็การพิจารณาก็คือพิจารณาโทษของการไม่สร้างบารมี อันนี้สงปลว่ากำไรที่เกิดจากการสร้างบารมีเมื่อเห็นโทษของการไม่สร้างบารมีเห็นกำไรที่เกิดจากการสร้างบารมีก็ลงทุนสร้างบารมีเท่านั้นเพราะการบารมีเนี่ยก็คือลงทุนลงทุนเพื่ออะไรเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั่นแหละกำไรคือสัมมาสัมโพธิญาณตั้งเป้าหมายเพื่อสัมมาสัมโพธิญาณส่วนปัจจัยแห่งการสร้างบารมีต่อไปอีกก็คือจารณ์ส ก็ชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งบารมีอภิน ญ, ญาห้าก็เป็นปัจจัยที่สำคัญแห่งบารมีก็คงเป็นครั้งต่อไปกันแล้วกันครั้งนี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาคุณของการสร้างบารมีเพื่อการตรัสรู้ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโทษแห่งการไม่สร้างสมบุญกุศลเพื่อการ ตรัสรูน้นนะก็ขอให้มีบุญกุศลที่ประดิษฐานดำรงมั่นกุศลเจริญงอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนพระจันทร์ในข้างขึ้นจนถึงพระจันทร์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ตรัสรู้คุณธรรมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยท่วนกันอนุโมทากับทุกท่านขอให้ประสบความสุขความเจริญตลอดไปเนี่ยนะ